แต่เธอไม่กลับมาเอาเรื่วันปล่อยให้ฉันต้องเหงวคนเดียวตรงนี้และแม้เวลาจะผ่านไปนานนับปีใครที่เข้ามาก็มีแต่เขาก็เทียบไม่ได้กับเธอเม่ฉันยังคงต้องภาวันนากับเดาวบนฟ้าให้เธอที่อยู่ตรง กี่ครั้งเวลาที่ใครสักคนเข้ามามาเขาจะแสนดีแต่ติดติดไท้ของฉันอที่มันยังแค่เธอ ฉันอยากจะลบ but my heart still want it ฉันจะอยอมเป็นคนผิดแม้ไม่ am a stupid boy ถึงเธอจากไปแล้วและฉันก็ยังคงคอยกี่คนที่เข้ามาและฉันนั้นต้องละใจไปกับความจริงที่มันยังคิดถึงเธอมาจนเกันไป เธอมาคอยดูแอนเชสไลก์นกสัสน้มตา <c oughs> ฉันส่วนที่เธอลาละมันจะเป็นแบบนั้นทุกที่ไม่ว่าจะนอนหรือตื่นขึ้นมาแล้วฉันเคยทำผิดไปใช่ไหมเพราะฉันไม่ดีตรงไห น, นแค่เพียงอยากบอกให้เธอได้รู้และจากเธอนั้นยังคงไม่ใช่ฉันขอแค่เธอกลับมาได้ไหมเธอกลับมาได้ไหมฉัน <c oughs> ขอแค่เธอกลับมาได้ไหม <c oughs> oh baby กล<ท>ับ <ขอ S 2> มาได้ไหมเธอมาจนเกินไปไหม